สติโลกาสัมมิชาคโรสติเป็นธรรมโมส ก, กจังสุตโพเตอนุสนธิพระสัธรรมเทศนาวาระโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกทุกท่านก็จะได้ฟังธรรมซึ่งเป็นหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ืวอจะนำมาเป็นเครื่องเตือนจิตสะจิตใจในชีวิตประจำวันของพวกเราคนเราถ้าหากว่าเราขาดสติตัวเดียวก็เหมือนเรือขาดหางเสือมันจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางเรือมันไปถึงจุดหมายปลายทางตามการามเวลาได้เพราะมันมีหางเสือบังคับไป ฉันใดชีวิตของพวกเราจุดหมายปลายทางที่เราเกิดมาก็ตั้งไว้สูงสงหน่อยคือจะไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดินแดนสุขภาวดีคือดินแดนอันปลอดอารมณ์พุทธกษตรที่เพาะชำมรรคผลนิพพานแล้วก็จะไปที่ไม่เกิดแ ก, เก่เจ็บตายคือพุทธิพันธ์ ดา น, นเมื่อเราจะไปจุดหมายปลายทางอย่างนี้เราก็ต้องมีอุดมการในใจของเราทุกกันในเวลาให้นึกถึงบ่อยๆว่าหนึ่งเราจะมาให้คนอื่นทุกเพราะสิ่งที่เราทําไม่ว่าคนก…จเฉดหรือพักพวกอะไรกันแล้วแต่สองเราจะไม่ให้คนอื่นทุกเพราะคำที่เราพูด สามเราจะไม่ให้คนอื่นทุกข์เพราะคำที่เราคิดทากับคือร่างกายพูดทางวาจาคิดกระทึงจิตใจถ้าเรารักษาสามประการให้บริสุทธิ์ได้นะ่ะสัจจตประโยทั ป, ปนงังโอวาทาปฏิโมกพระพุทธเจ้าของเราสอนไว้แล้วก็เลยเป็นผู้มีกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์คือกุหันพ้นทุกนันแหละอันนี้อุดมการของเราต้องตั้งไวเหมือนเจ้าชายเสด็จัตว์ประสูดออกมาจากคันว่มันดาธรรมาอคโคมสมิโลกสัมสเชโตะมัตมิโลกสัมสเชโตะยมันติบ า, มม า, าชาตินัตถะท่นนี้ปุณณ์ปะโวตนะิถ้าภาษาเราก็ว่าเออข้าพระเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกนี้ข้าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้มา การเกิดของเราไม่มีอีกแล้วนิพปานชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดได้ไหมอุดมการณพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็ต้องฝ่าฟันเดียวอย่างลางหุ่นเนี่ยคเขาออกมาปุ๊บตั้งแลยชื่อว่าลาหุ่นเลยบ่วงบ่วงที่จะผูกทันไว้ตันหนา ล, ลักลูกเหมือนเชือกผูกคอตันหาผัวเมียแล้วกันเหมือนปอผูกศอก ตันหารักถูกวัตถุเขาของมันปลอกมามัดขาเนี่ยนี่ชีวิตของเราก็อยู่ตรงนี้นที่มันถูกมัดรัดเราทุกวันนี้ไปไม่ได้เพราะองค์วัวเออล้งหุนครูพ่อไม่อยู่หลอกลูกเกิดมาไม่เคยอุ้มลูกเลยแต่ว่าเปิดผ้าม่านเข้าไปจะไปอุ้มลูกสัหน่อยก็กลัวนางพิมพ์พาจะตื่นพิมพ์พายคือพิมพ์ใจเนะ่ย แกะไม่ออกละถ้าตื่นมาผูกมัดไปเพระองค์ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกสุดทิ่แลกขมงพ่อมมบุญมาวัฒนามีแล้วก็เจอกันใหม่เห็นไหมพระองค์เสียสละเสียสละโลกิยะเสียสละของต่ําจึงไปได้ของสูงถ้าเราไม่เสียสละของต่ำํำเราก็ไม่ได้ของสูงอ่มถ้าเรากรํามทรายอยู่เราก็ไม่ได้กรรมทองคํา ถ้าเราอยากได้ <Okay. S 1> เพชรดินกินดาก็ต้องพังดินพังทลายดินมันจึงจะเห็นเพชรเห็นเห็ น, นกินดาไ ด, ได้ฉันใดเหมือนกับว่าเราเกิดมาถ้าเรามีอบรมการบาเ อ, อขอให้เป็นชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าจะทําทุกสิ่งอย่างเท่าที่พ้าพเจ้าจะทําได้ทําไปถึงนัน้นเราก็จะไปพักอยู่ดีกว่านี้อีกหลายเท่าพระพุทธเจ้าจัดไว้นะให้กระโดดที่สูงก่อน ถ้าไม่ถึงวันิพ้ผ่านเราก็มาอยู่นี่ผมมาโลกบ้างอมาอยู่เทวโลกบ้างทางไปเทวโลกนี่ก็ความละอายต่อบาตต่อกรำทั้งหลายถ้าใครมีความละอายต่อบาตรต่กากำทั้งหลายในหัวใจของเราเนี่ยเป็นวัตถุหรือเป็นอนิสงส์สีนํำเราไปสู่สวรรค์ เทวดาท่านมีิทิความละอายต่อบาปมีโอตตะปาความเกรงกลัวต่อบาป<ม>เป็นสมบัติของท่านสมบัติที่จะพาเราไปสวรรค์สเสบียงที่จะพาเราไปสวรรค์ถ้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญบำนาอยู่อย่างนี้บ่อยๆจนจิตลงสู่องค์ชาญได้ปรมชาติเท่านั้นก็ไปได้ก็ไปพรมโลกแล้ว ถ้าหากว่าเราบําเพ็ญเพื่อหวังปฏิพันธ์หังปฏิพันธ์ดังที่กล่าวว่าให้กายของเราบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้คิดเราเนะี่มันสอบอารมณ์เราอยู่ตลอดเวลาเราต้องเข้มแข็งเราเคยเป็นคนจู้จี้จุกจิกที่บ่นจุกจิกจู้จี้ที่บ่นเนี่ยหยุดเราเป็นคนใจร้อนก็ต้องหยุดเป็นคนฟุง้งซ่านลําคันธ์ก็ต้องหาวิธีให้หยุด ต้องหัจิตใจเย็นร่างกายของเราตื่นขึ้นมายิ้มใช่กันมั่งการยิ้มมันเป็นการแสดงถึงความสบายใจนะคืออารมณ์ตัวนี้มันจะแสดงถึงกายของเราถ้ากายเป็นคนอารมณ์มา ก, มา ก, มา ก, มากสังเกตดูเถอะกุมใจมา ก, ม, ากมีปัญหามากๆยิ้มออกเสมอหร่ไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะบูดเบื้งอยู่นะจิตมันบูดมันเน่าแนละ้ว จะไปไหนได้ทีไหนเพราะนั้นนักปราชญ์ทยังเคยเห็นไว้ให้เราอ่านว่าตื่นขึ้นมาต้องห้ใจเย็นต้องห้ใจสงบร่างกายของเราต้องให้ยิ้มนะให้มสดชื่นนะจิตแกมใส่ใจเบ่งบานส่วนมากเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะมันคิดถึงเรื่องอื่นลนะตื่นขึ้นมาจิตมันพุ่งไปหาคนอื่นเนะี่ยเพราะมีขาสติไนะ เพราะขาดสติสมาธิก็ไม่มีแล้วจนะเพราะสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่มีเพราะปัญญาไม่มีรี่วิมุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงวิมุติธรรมคือความพ้นทุกข์แต่พระพุทธองค์ของเราทรงตรัสไว้ว่าแล้วเกิดมาแล้วให้รู้จักคําว่าวิมุตต์จำเอาตัวเดียวนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะเกิดขึ้นมาเราต้องฝึกสติสติแปลว่าผู้รู้ รู้ทุกอย่างแล้ว่โยกกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดจะให้รู้แม้แต่เรานั่งอยู่ขนาดนี้เราคิดเรื่องอะไรก็ให้รู้ตัวเราโยกเราคลอนเอียงซ้ายเอียงขวาก็ต้องให้รู้ตอนนี้กายของเราอยู่นี่จิตของเราคิดออกนอกไหมก็ให้รู้เสียสละเป็นยอดของความดีนะสามัคคีเป็นยอดของความสําเร็จ เมื่อกายกับใจของเราไม่สามาคัคคีกันนั่นแหละเราเกิดสงความทุกข์แหละใจนอนอยู่บนบ้านจิตไปเพ่นพ่านอยู่บนโรตัดบิสซี่ที่ไหนก็นไม่รู้ขลั่วโอเกะโอกานะแหมันชอบไหลไปสู่ที่ดำเพราะนั้นต้องฝืนอารมณ์ขมนี้บนะวายมันชวนไปไม่ไปถ้ามันจะฝืนมากกับซื้อโซ่มาสักเส้นหนึ่งนะ มัดตัวเองไว้ล็อกกุญแจซะเอาเงนไปนั่นนะ่ะแล้วต้องฝืนสยอทุกสิ่งอย่างข้ารู้หมดแต่ข้าอดไม่ได้นี่มันสำคัญอยู่ตรงนี้รู้อยู่ไปร้องคาราโอเ ก, กะก็เสียเงินไปเที่ยวมันก็เสียเงินเสียทองเสียกำลังกายอีกทันที่เวลาจะหลับจะนอนแล้วไปดันไม่นอนอีกเวลากลับมาบ้านก็นอนไม่หลับอีก โทรศัพท์เขีย่ยเอกเขีย่ยโทรศัพท์เช็ดโทรศัพท์อยู่นั่น่ะเพ่งกับศิ์ไม่นอกเรื่องไปอยู่นั่นแะแต่เมื่อไรมันจะหลับได้เมื่อไรเราจะชนะมันได้ทุกวันนี้เราแพ้เพราะเราขาดสติขาดปัญญาสติของเรามีทุกท่านนั่งอยู่นี้ปัญญาก็มีทุกท่านแต่เราไม่ไดเอามาใชา้เราไปตามใจกิเลสมดมันขออย่างไงให้มันมด เมื่อเราให้มันก็ยิงได้ใจมันขอรูปทางตาแล้วก็ให้ขอเสียงท้งงูก็ให้ขอกลิ่นทางจมูกก็ให้ถ้าเม่มีเงินไม่ท้ทองอยากอวดกันเนี่ยน้ำอวนน้ำหอมมือไทยไม่เอาบินไปฝรั่งเศสน่ที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเขาไปเล่าให้ฟังนะคนจีนไปบวชกับหลวงพ่อั้งสามสิบหกปีจึงตาย สมไมก็เป็นแสบเป็นสาวเปนนนนะเเ็นไม่ม้ขนาะนนอะทรงเครื่องไปเงินไม่ทองสตอเบอรี่น่ะนั่งเครื่องบินจากเมืองไทยไปกินหนหนอะออสเตรเลียนะที่มันปลอดพิษสารพิษนะมันมีร้านหนึ่งอุดอรเนี่ยมันทําก๋วยเตี๋ยวอร่อยลมั้งาก็นั่งเครื่องบินไปชั้นก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวที่มังอุดอรเนือกรุงเทพมันมีเยอะแยะเนะี่ยคืออยากจะ แบบมีเงินไม่ท้องเนาะก็มีเงินเด้อกินเด้อใช้ก็ใช้ชกันสนุกนะพูดนะอันนี้คือพวกที่ว่าไปนอกจากมันจะเสียเงินมากแล้วค่าเครืงบินเที่ยวเดือ น, นก็ได้ก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวกรุงเทพแล้วหลายถั่วยอยู่นี่ทำไมยังประจำใจจึงกันนานได้มันก็มันอร่อยมันอยู่ที่ไหนคนเรามันอยู่ที่หิวถ้าไม่หิวมันอร่อยที่ไหนมาเนี่ยคือคนขาดสติ ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสติปัญญายับล้งล้งใจตัวเองออกอยากพูดยังไงก็พูดจากบ้างไงก็ว่าอยากทํายังไงก็ทํำนี่โยมอย่าไปคิดว่าธรรมะนี่ลึกจนเราคิดไม่ได้ไม่ใช่นี่นะยากปากคลอกใช้กันมากๆหน่อยอสติปัญญาถ้าสติมาปัญญาก็เกิดสติตะเลิดปัญหาก็เกิดขึ้นมาเห็นไหมละ่ะ ปัญหานมาจากไหนมาจากตัะหาของคนเราการ ม, มาตัะหารักในรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพระความรักความใคร่เนี่ยนะทำให้หลงหลงจุดจามเมื่อจามัวจตมบอดไปหมดละที่คนไปเล่าให้ฟังมู่วานยมอมหลวงพ่อชอบเอาเรื่องนี้มามาคุยต่อนะหลวงพ่อทํายป็ไงลูกชายผม่จะพูดกับผม ทำอะไรไมันทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะแต่มันไม่พูดกับพ่อกับแม่เอาหลวงพ่อก็ว่าโอ้เขาอาจจะหลงอยู่ตอนนี้ได้แม่ใหม่ก็ลืมแม่เก่าเชื่อใจเมียจนเสียแม่เสียพ่อแน่เห็นไหมนะ่ทำไมไม่คิดว่าพ่อแม่เรามาก่อนแม้จะเขานั่งนอนที่มาแทงก็อายนะอยู่ใกล้ๆวัดตรงพ่อนะ ที่พวกอะไรหมูป่าหมูเปิดเขาไปเข้าหลวงประทางนะนะถ้ำถ้ำหลวงนะ่ะมันก่อนจะจ่ายแกยังว่าเออนี่พ่อแม่จงมาก่อนก่อนจะจ่ายฮันสิสระไปบูชาแม่พ่ออยู่เมืองสิบสองปนานก็เขาเป็นเชื้อเจ้าเชื้อเจ้าเนี่ยจะมาแต่งงานกับคนต่างชาติไม่ได้ ถ้า แ, แต่งคนก็เสื่อมหมดเลยเนชะื้อเจ้าของเข า, าเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเราเนะี่ยห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติแต่องค์ชายของเราไปจากประเทศใดเนะี่ยไปเยี่ยมไปยามกันสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินก็ต้องควบม้าไปขี่ม้าไปอคุยไปคุยมาก็ยังมาความรักกันนี่คือหนึ่งความใกล้ชิดสองได้สงเคราะห์กัน สามบุเพสันิวาทคือสร้างบุญร่วมกันก็เลยเกิดชบอบตอกันบอกแม่แม่ว่าไม่ได้หรอกลูกเป็นใจ ย, ยังไงแม่ก็ไม่ให้แต่ความรักมันยิ่งใหญ่กวัวอะไรเสร็จแล้วก็องชายเราจะกลับมาเมืองชายก็ขอมาด้วยแหละสองวันจึงมาถึงเขานางนอนอย่างไม่สายจำบุปวัติก็เขียนไหมนะพ่อแม่ก็เลย ทางนี้ถือว่ามันมีใครตามมาแล้วขี่มาคือมันวิ่งธรรมดาคุณผูมแต่ควบมาก็มันวิ่งไวๆมันเข้าแข่งมาเนี่ยเขาเรียกควบมาแม่เสียลูกสาวไปคนเดียทําไงก็ต้องวิ่งหาตามมานี่มาทางนี้วันเดียวทางนั้นดั่งมาสองวันลูกสาวกับผู้ชายนี่ดั่งมาสามวันก็สองวันแม่ควบมา้ามาวันเดียวถึง มาถึงกับพบคาแล้วก็อ้อนวอนว่าลูกเอ้ยกลับเมืองเราเถอะไม่ได้รอกลูกทำยังไงเป็นใจแม่ก็ไม่ทำมันจะเสียเชื่อจา่าเราคิดมากโยมเออถ้ากลับไปไม่มีคนรักไปกับเราเราจะไปทาไมมีความหมายอะไรชีวิตโนดบางคนบูชาวความแลกกินบวชชีวิตมีเยอะแยะนะวันนี้หยอกที่ใญ่เขาเขียนนะโยม สุดท้ายนางตัดสินใจไม่ได้เธอแทงคอตายค่ะนี่เขานั่งนอนนะั่นแหละถ้ายอมไปยงจะเห็นเป็นผู้พระผู้หญิงนอนหงายคน น, นจะไปะใหญ่ไปนั้น น, ะนองจิตตนาการคนจะเขียนขึ้นมานจินตนาการเขียนเป็นเรื่องขึ้นมาที่นี่ก็เสร็จแล้วในถ้ำหลวงนะี่ยมจงแทงคอพอดี แปงข้อพอดีเลยว่าคนมาที่หลังเนี่ยกะเลขนเท้ามาทางเมืองไทยเราหันศีษะไปทางสึกสองปัญนานะ่ะอันนี้คนบูชาพ่อแม่แต่เมื่อไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคนรักกลับไปกับเราแล้วก็ตายจะดีก ว, ว่าตัดสินใจไม่ต้องยุ่งยากอะไรกันตรงนั้นน่คุณยมถ้าไปมิจะมีมิจะพวกผู้ชายไปหลงในธรรม หกเจ็ดวันก็นมีนะฝรั่งตามก็นาเจาราวันละแต่เรื่องอื่นไม่พูดหลวงพ่อไม่พูดหรอกเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่าแล้วนี่ก็มาสงเคราะห์เข้าในธรรมะเราผู้มีอุปกราระคุณต่อเราคือพ่อคือแม่ของเราเราจะไปทิ้งได้ยังไงเราต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่เนี่ยกเพราะนั้น่ะคนเรามันลืมบุญลืมบุญคนที่มีบุญคุณต่อเรานี่ คือขาดสติขาดปัญญาเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งกุณโยมเรานั่งอยู่ที่ไหนอย่างน้อยให้เราดูลมหายใจเราไปหายใจเบาๆช้าๆลึกๆมันจะได้กระตุ้นจิตของเราที่มันจะไปเที่ยวให้กลับมาเราหรือโยมมีอารมณ์ร้อนร้าอยู่ในใจของเราเนี่ยปัญหาทุกอย่างหัดทั้นใจหัด น, นังฟฟ่งโซฟาพิงก็ได้มันจะหลับไว้ อดีกว่าก็นั่งคิดในทางที่ไม่ดีนะมันหลับไปดีกว่าลที่เรามาจะนินทาคนอื่นนายยกอืมือนเราจะไปนินทาใครใส่ร้า ย, ายปสายีไษะเรามานอนหลับดีกว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมเราเนะี่ยคนที่เราใส่ร้ายปลายศีนินทาเขาเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ต่างประเทศของเามีความสุขอยู่ที่ไหนก็รูนะ้แล้วก็เลยหาเห่าเข้าตัวเองนะ่ะแหวงเท้าหาเสี้ยน อเสียใจจำจิตตําใจของเราเจ็บปวดรัวราวนี่ยไอคนที่เขาใสาา่อรไรเขาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แนะ่อันนี้เพราะเราไม่มีนิสนสัมมะกัลนังไสยโยอไม่มีอ่าให้พิจารณาเสียก่อนค่อยทําค่อยพูดค่อยคิดออกไปอันนี้สําคัญนะโยมนะในชีวิตของเราเนี่ยคุณโยมอยากจะให้โยมเป็นคนใจเย็นเป็นคนสงบเป็นคนมีความสดชื่น เจอทุกคนยอมมีความสุขสนมางเทศทำความทุกข์ให้เป็นความสุขยอมได้นี่คือเราชนะมันมันยอมชนะใจตัวเราแต่ยอมแพ้คนอื่นดีกว่าเราไปชนะคนอื่นได้แพ้ตัวเองแล้วพอมีลุกสิส่งนหนึ่งคนยอมรถใหม่ๆเลยนะเขาขับรถมาที่วัดเนะี่ยมีรถคันหนึ่งมาชนท่ายเป็นปึง้ง ก็เปิดลงมาทีนี่เออคุณจะไปไหนวะจะไปธุระ ค, ครับผมทำไงผมมารถชนรถชนฟี่แล้วนี่ไม่เป็นไรนี่เราไปวัดด้วยกันเนาะไปทําบุญไม่ว่าได้ต่อไปตรงแค่นั้นแหละแค่บางเราไปวัดด้วยกันเนาะไม่เป็นไรแล้วตนก็นไปซ่อมมันท่านนั้นแหละเอ๋พ่อหอโอ้โหโยมเราควรจะเอาอย่างงั้นบ้าง อันนี้ไม่ชนเพียงแค่เฉียดกันนิดเดียวแต่นั่นนะหรือมาเฉียดเบียดกันนิดเดียวแต่นั้นนะลงมาก็เอาปืนยิงกันตา ย, ยาเยอะแยะแล้วเดี๋ยเห็นไหมมันต่างกันไหมคนที่เขาไม่นิสสัมมารกรณาวเสยเขาใคร่ครวญแล้วใครค่ครวญอีเข้าไม่โกรธมันโชนแล้วทําไงเราจะคุยกันก็คุยกันซะบริษัทจะคุยกันอันนี้เขาคุยกันเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอกนอไม่เป็นไร ไปทำบุญกันที่วัดน้อนเนี่ยนี่ที่คองหกเนี่ยก็โยมก็ไป่ได้ฟังดูสิเขาจะไปเมืองนอกพัสปอร์ตพวกหัวหน้าทั่วทําพอสปอร์ตเข้าให้คนเดียวไปถึงสุวรรณภูมิแล้วโอ้ยทำไงพี่ผมจำหาไม่เออไม่เป็นไรฉันไม่ได้ไปไม่เป็นไรหรอกฉันก็กลับบ้านไม่มีดูไม่มีด่าไม่ไม่ว่าไม่มทําอะไรทุกอย่างอ่เห็นไหม นี่ความสุขก็อยู่ที่การปล่อยวางโยมเราจะปล่อยวางได้มันก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญผู้รู้ไว้ในใจของเราตลอดมนุย์โยมจะมีความสุขนะโยมกายอยู่ตรงไหนจะให้ใจอยู่ตรงนั้นอย่างโยมเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะโยมหรือคุณโยมทําหน้าที่อะไรก็ให้จิตของเราอยู่ในขณะที่เราทํากายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดอะไต้องรู้เขา ถ้าเราไม่รู้นี่แหละคุโยมที่เราปล่อยปละแล้วเลยมานานมันเสียหายจิตไม่ได้อบรม บ, บ่มนิสัยแล้วทีแม่นก็เลยเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองถ้าจิตไม่ได้อบรม บ, บ่มนิสัยแล้วมันจะนํนาพิษนําภัยมาใายใจเราเหมือนคนอยู่ใกล้ชิดเอยเหมือนน้าใสอย่าไปคิดว่ามันไม่มีพิษคนอยู่ใกล้ชิดอย่าคิดว่ามันจะไม่หากลังเรานี่อันนี้ต้องระวังนะโยมนะ น้ำาสอยากไปคิดว่าไม่มีพิษแต่คนอยู่กับชิดอยากคิดว่ามันจะไม่หักหลังเรานี่นี่พวกทำงานร่วมกันเยอะๆนี่โอ้ยแล้งพ่อแก้ปัญหาโยมต้องพ่ออยู่ีิไหนโยมกับมามีแต่พวกปัญหามาเมื่อวานก็มาหลายชุดจนลูกศิษย์โทรมาก็ต้องให้ก็โทรมาเวลาใหม่นะแล้วดีใจโยมไม่ขี้เกียจ เขามีปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวา ม, มาท้าละพัดอย่างอยบหลวงพ่อ ก, ก็เลยนึกถึงว่าโอ้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อมาแก้ปัญหาของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายเพระพุทองค์มีปัญญาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยแก้ปัญหาเนี่ยปัญหามันมีต่ากันทุกคนอ่ะไม่มีใครไม่มีดอกนั่งอยู่นี่มีมดอาจจะมาด้วยแหละ ปัญหานมาจุตังจากตัณหาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้แล้วว่าการมัจนาความรักความใคร่ในรูปเสียงกิ่นลดผลิภัณฑ์ธรรมลมเนีเพราะว่าตัณหาอยากทีนี่โอ้อยากเหลือเกินแทบจะเอาเมือประเทศไทยมาเป็นของเราคนเดียวนอดความอยากของมันเอาทั้งโลกเนี่นะมาเป็นของเราคนเดียว น, น่นขนาดนั้นนะไม่ใช่จัมมดาณนะถ้ายอมดับความอยากได้ตัวเดียวยอมมีความสุขเลยแน่นอน มันทุกเพราะว่าทุกวันนี่ยเพราะมันอยากถ้าดับความอยากได้ตัวเดียวเท่นั้ น, น, น, น, นอยอมไม่ทุกเลยที่นี่วิราคาคือไม่มีความกำหนัดจินดี <Okay. S 1> นั่นน่ะยอดของธรรมะพระพุทธเจ้าจึงสอนในสาวกทั้งหลายไปเผยแผ่ธรรมะไปสอนในคนขเขาละราคตนานาะน่ะ เพราะว่ า, วาันหาขี้เกียจอีกพี่นี่แต่ไปขยันกับสิ่งที่มันทำให้เราหลงเราเพลินมันมาทำงานเออกลับไปบ้านจะอาบน้ำเย็นเย็นหรืออุ่นๆกันแล้วแต่เข้าห้องพระสวดมนต์ตั้งใจอยู่พะ ก, กลับไปป้น่นโอ้รู้สึกเนื่อยนะคันอาบน้ำเสร็จแล้วไม่เหนื่อยตอนมองไปหาโทรศัพท์เทียอ่า มันมีทุกอย่างเขาบอกนะอยู่ในนั้นนะเวลานอนกับพิกไปพิกมาจนปวดคอตื่นขึ้นมาเออสงสัยหัวตกหมอนมามปวดคอจะตกหมอนอะไรแล้วไปนอนรูโทรศ<ม>ัพท์ทึกงายพิกขวาอยู่ในนันะ้จนคอเคสไง น, ะนี่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้นั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งล้อมพระพุทธเจ้าแล้วหรืยอยังทุกวันนี้เราได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์หรืยอยัง โยมถ้าอยากฟังพระพุทธเจ้าเทศน์หัดสงบจิตสิเจริญสติตัวเดียวเจริญผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อะไรเข้ามาหาใจแล้วก็รู้ถ้ารู้แล้วมันจะดับถ้ากระยับมันจะเกิดอะไรเกิดจะมาให้รู้ทุกอย่างถ้ามันไปทางลบแล้วก็เปลี่ยนมาทางบวกซะทีนี่อนณาธิท่านเป็นผู้ทรงปัญญาอยู่แล้วปัญญาชนอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่บวกล บ, ลบท่านก็นรู้ละ คือทางบวกมันทำดีพลังดีที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าถูกต้องที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าถ้ามันคิดไปในทางโลกิยะมันตํำเนี่ยนะแล้วก็ไม่ไปเดี่ยวมันทางลบทุกวันนี้เราจะขาดทุนทุกวันส่วนมากถ้าเราไม่ใจเราไม่เข้าใจในเรื่องศีลเรื่องธรรมนะ ย, ยนมศีลจรมีอานาจมากยอมอำนาจภ า, ากปลายที่สุดเลย เมื่อกี้คุณเมื่อกี้นี่คุณไอ้นี่ยยังไปคุยให้ฟังอยู่อ่ามีอําอนาจมากเลยคุณโยมนะเห็นไหมหลวงปู่วิริยงังหลวงปู่อะไรทุกองค์ทุกองค์งนะท่านได้มาเพราะอํานาจจิตทั้งนั้นจิะจะมีอํานาจได้เพราะต้องฝึกสติฝึกผูดรู้หินอยู่แคนาดานะี่ยมาแก้เป็นพระอยู่เมืองไทยแล้วนี้เห็นไหมลนะ่ะหินอยู่ที่หนที่ไห น, นี้โลกกำลังเห็นแจะเอามาแกะเป็นพระเนี่ยพวกเรากาบ ไ, ไหว้ ก็เรานั่งยังไม่เห็นตัวเองเลยท่านเห็นตัวเองเราไม่พอไปเห็นสิ่งนอกตัวเองอีกสินี้แต่วันสิ่งที่ดีสิ่นี้เพราะหลวงปู่สมหวังทุกองค์ท่านเอากําไรชีวิตทุกวันโยมคือท่านน้องจิตเข้สู่ความสงบไปบ่อยบางทีมันทาไม่ได้ตลอดปณาโยมถ้าเราทํางานอยู่ในที่ทํางานของเราเนี่ยโยมให้นึกถึงความสงบไปบ่อยบางทีเออถ้าเราวางมือไม่เขียนอะ่ะดีก็ดั่ง คิดออกนอกกายของเราคิดมาในกายกเราคิดมาในใจของเราถ้าโยมจะมีความสุขให้รู้กายามากๆรู้ใจามากๆแล้วก็หัดสงบนิ่งเหมือนเราจังใจไปเราไ่ยึดทุกอย่างเราจะปล่อยวางทุกสิ่งแล้วท้องจะกิดให้นิ่งนั้นก็สบาย่าสบายโยม ถ้าเรามีผู้รู้อยู่ในใจเพราะนั้นทรงผู้รู้ไว้ในใจของเราตลอดเราเป็นชาวพุทธนั่งใต้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรีและร่างกายไม้ไม่ไม่แ ม, ม้พระพุทธองค์ทรงพระชนเจ่นอยู่พระองค์ก็ไม่เคยรับว่ากายของเราพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะถ้าดินน้ําลมไฟมันพวกเราพระพุทธองค์เอาไปได้ที่ไหนอะสุดท้ายก็เอาทิ้งไปนี่ทับทมเป็นดินอันนี้ไว้มันเดิม พระองค์ยังได้เทศว่าเหมือนเรายืมเข้ามาใช้ทุกวั น, นยืมดินมาใช้ยืมน้ํามาใช้ยืมอากาศมาใช้ยืมไฟมาใช้สิ่งใดที่เรายืมมายังไม่ใช่ของเราแต่เรามาลุก่าเป็นของเราพระพุทธเจ้าเทศว่าเป็นของเราที่ไหนนะ่ะพระรัตทุกองค์เอาไปไม่ได้มันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นกองขยะของโลก ถ้าใครไปอินเดียคนจะไปคงจะไปเขาจะต้องพาไปดูมูลสมบัติของอะมูบ้านเรือนของนางสุชดาดากองมเนินเทินเอไปบ้านพระสาริบุตรพระสาริบุตรยิ่งรวยกว่าสิโอ้โยางขึ้นไปบนเขา น, ะนี่กองก็ยานะที่มันสลักหักพังลงมาบ้านนะถ้ามันเป็นหลังมันจะระญายนาดไหนเหมือนนี่เนะี่ยทีโอทีเรานี่ตัวใหม่หลวงพ่อจำไม่ได้ ถ้ามันสลักหักพังเอามารวมกันจะเป็นกองพนินเท่าไรนนจริงไหมโยมเอาไปได้ไหมล่ะไม่ได้ท่านไปไหนพระโมกกันละสาริบท ต, ตอนยังไม่ได้บวชนิยมมีบริวารตั้งห้าร้อยห้าร้อยเพราะท่านรวยนะมีอะไรไปได้ไหมบางทีมากักคิดใช้ความกินโยโยมมีเงินสักหมื่นล้านเนี่ย ท่านข้าว่าท่านแค่อิม่มเท่านันนะมันไม่เกินหรอกเสื้อผ้าก็ใส่ไปนี่ยังแค่นี้นะอาย่บ้านก็อยู่บ้านใครจะไม่ใส่มาทั้งตู้นะว่าฉันรวยนะใส่มาทั้งตู้เลยเขาก็เอาเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาตอนนั้นแบบนะั้นนะมันไม่หรอกโยมพระพุทธเจา้ามาสันตุถีปรมาตารย์ความสันโดษเป็นลาภอันประเสริฐเว้อย่าลืมนะโยมนะเราต้องฝึกจิตของเราหนะอย่าฟุ่งเฟือยมาก พระพุทธเจ้าไปสอนให้พุ่มเฟื่อยหยมีผ้าผืนหนึ่งหลวงพ่อหมมาสิบกว่าปีแล้วยบลงไปพัดปันดวงวก็ตกมาใส่ของแข็งมขาดผู้หญิงก็เย็บไม่ได้แล้วทีนี้ต้องให้ผู้ชายเย็บหรือว่าเป็นพระเย็บให้ยังไม่เย็บเลยยอบใช้ม า, าสิบกว่าปีแล้วปิ๊งหลวงพ่อนึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกจีวรถ้าเราห่มมันเก่าแล้วอยมเอาทาผ้าเพดานเอออผ้าปูนอนก่อนถ้าผ้าปูนอนเก่าแล้วทําผ้าเพดานถ้าเพดานมันเก่าแล้วเอามาทําเป็นผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าถ้ามันเก่าแล้วไปทําปุ๋ยก็ดูสิเนี่ยสันตุถีประมังสนามความสะดโดเป็นลาอันประเสริฐ มันุกิสมมนุษสะปฏิลาโอก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับเป็นลาภอันประเสริฐเนะเพราะฉะนั้นคุณโยมต้องใช้ยธรรมาพุทจ้ามาเตือนใจเราอยากหัดพุ่มเฟื่อยมากแต่กระดาษนั้นมันก็ได้เท่านั้นนะมันไม่ได้เกิด น, นั้นหรอกถ้ามันสมบัติเราค่อยเอามาแค่ น, นี้แต่เนี่งมันก็มันไม่งามเท่าเขาหรอกครับมีคนงามกว่าเราเนี่ยไม่ใช่แค่นี้ก็สมมุติกันแต่ว่ามันอยากแข่งกันกี่เลขไงตั้าหาเนี่ยคุณโยมเนี่ย ถ้ามันได้สมใจแล้วไม่พอใจล่ะหงุ ด, งดนะงหงิดน่ะก็งุดหงิดเลยเป็นการทำลายตัวเองอีกถ้าเราไม่มีผู้รู้คือสติมีปัญญาสติเอาไว้ดูจิตปัญญาเอาไว้ดูความคิดของเราที่นี่สติมาปัญญาก็เกิดถ้าสติเตลิดปัญหาก็เกิดขึ้นมาเราต้องฝึกบ่อยๆทุกสิ่งที่ทําคําที่พูดสู่ที่คิดต้องคิดไปให้มีนิสสัมมากรณังสยโย ใครคนแล้วใครคนอีกถ้าเราพูดออกไปนี่คนอื่นเขาจะทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เราพูดไหมเราทำลงไปนี่คนอื่นเขาจะทุกข์ไหมเนี่ยได้ไหมคุณโยมะอ้าดูข่าวนะธรรมมันเป็นธรรมะดู่ดูข่าวนะักโยมมีวันไหนโยมไม่เห็นขวเมีอะ่รข้ากันอ่าไม่มีวันไหนไม่เห็นพวกเด็กๆหนุ่มๆมันเอาอีดาบได้ฟันกัดแขนขาด เอาคนดีกันแทบลมแทบใจจะมีแทบทุกวันนี้ข่าวพวกนี้เพราะคนกิเลสมันชอบดูภาพแบบนี้นะถ้าเปิดไปฟังภาเทศแะหมุนไปแล้วกดเลื่อนเลื่อนเลื่อนช่องแล้วเพราะกิเลสไม่อยากให้ฟังอ่าเหมือนโยมไหว้ภาเนี่บางทียังไม่จบเรื่องหาว่าปรกอ่อกะมันจะหลับไม่ได้ มีบางคนถึงบบสบายขาโตกาบได้แค่สบาคขาโตสุปฏิปโนรุกไม่ขึ้นเลยหลับตีสี่จังตื่นวะโนดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นหรอกโยมวันนอนไม่หลับก็หาแล้วบอกว่ามันมีเทพทัศน์อยู่กับเราแล้วตอนนี้โทรศัพท์นะเนี่าทีวีไม่เท่าไรหรอกโทรศัพท์หนักมากเลยวงพว่อบว่าพวกเราเป็นบริษัทของพวกเทพทัศนนะ ของพวกมารเนี่ยพวกกอ่อกวนเนี่ยจิตสงบที่ไหนไม่หละคุณโยมนี่คนถึงว่าโลกมันวุ่นวายเพราะคนไม่มีความสงบใจเพราะขาดสติขาดปัญญาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิมุตสิทำอะไรไม่มุดถ้าจะไม่กระดิกเลยบางชีวิตน่ะเอ๊ะมุนๆคืออะไร พระพุทธเจ้าว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างวิมุติธรรมให้เกิดขึ้นในใจคำว่าวิมุติคือความหลุดพ้นโยมทุกข์กับเรื่องอะไรอยู่นี่ถ้าโยมสติปัญญาปุ๊บสละทิ้งทันทีเลยแน่นอนมันกำลังทุกข์อะเรื่องใหญ่ๆนะลองหาใจเลย เบาๆนะถ้าปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราหัดใช้ใจลึกๆ mm hmm. ที่ต้องพ่อกลับไปไม่สายไปวันนี้ปุ่มนี้กลับจังเนี้ยเม mm ื hmm. ่ออันนี้นะเมื่อไปกี่วันเนี้รวยที่สุดในไม่สายไปยิงตัวเองตายในวัดคนไปทำบุญเยอะๆนะ mm hmm. เดินไปเดินมากับปืนยิงสมองตัวเองตายเลยเน mm ี hmm. ่ยทำไมไม่ฆ่ากิเลสทำไมไปฆ่าร่างกายร่างกายมันทำอะไรให้เรา นี่จะไม่มีประโยชน์ต่อเราเนาะมันยอมไม่ลดกันต่งหนงเอาไฟไปเพาเล่นทำไมร่างกายมันทำอะไรให้เรามันแต่ดินน้ำลมไฟไม่รู้สึกอะไรกันแล้วหรอกเพราะขาดสติขาดปัญญาระเบิดสมองตัวเองตายแล้วนะรวยที่สุดอนะ่ะเอาไปได้ไหมล่ะนี่เป็นตัวอย่างาคนขาดสติอยพอมพระพุทธ อ, องค์ทรงตรัสว่าคนฆ่าตัวเองตายไปตรงนระกห้ารอยชา แล้วกลับมาเป็นเปรตอีกห้าร้อยชาติมาเป็นมนุษย์อีกห้าร้อชาติอายุถึงขนาดนี้ก็ฆ่าตัวเองตายอีกไม่ใช่หลวงว่มไม่รู้นะรู้คนนี้นะรู้เขารวยมากคนดังมากนะเห็นไหมนี่ขาดสติขาดปัญญาอย่างเดียวหงก็จะเห็นอยู่แล้วกระโดดสะพานนวลชวีไปตายนะพละรามเก้าไปตายไปไหนะ ทำไมไปฆ่ามันร่างกายเราไม่จายเรายังเอาไว้ทําประโยชน์อีกเยอะนี่คือขาดสติขาดคํายับยั้งรั้งตัวเองไปบางคนก็นรู้เยอะ แ, แต่ข้าอดไม่ได้ทุกสิ่งอย่างข้ารู้หมดแต่ข้าอดไม่ได้นั่นชอบเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะเราไม่ได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นกําลังใจสิ่งอื่นไม่เด็ดสิ่งที่ทำำํทำราทําลายเราทั้งนั้น สติพะะพระปัญญาพระศรัทธาพระวิริยะพระเราไม่มาใชยเลยพลังศรัทธาก็ไม่มีพลังความเพียรก็ไม่มีพลังสติก็ไม่มีผู้รู้นี่พลังสมาธิก็ไม่มีพลังปัญญาก็ไม่มีแน่คนหมดกําลังแล้วเห็ตุใดเวลาหมดกําลังอะไรทบแป๊บเดียวจะบุยไยบุยไปแทนที่จะพูดจาเบี้ยวโอ้โห บุนจยามุยเมีกินพึ่งก็ว่าเนะี่ยทั้งพ่อมันอยากเปียกมุ้ยมีกินพึ่งทุกวันนี้วัดทั้งพ่อมันนกพิราบเยอะไม่ได้หลับไปนอนล้วกกันคืนง้องยิ่งกุ้งกิ้งของมันอยู่นะ่ะบนอย่างนกพิราบน่ะคุณโยมเทีท่ทั้งที่เราบนก็นั่งนั้นมีประโยชน์อะไรทไําลายตัวเองทําลายตัวเองนะคุณโยมนะที่เราบนนะ่ะใครทุกขกับเราล่ะ สมมติเราว่าคนหนึ่งเขาเงียบไปแล้วเขาไม่กล้าสู้แล้วแล้วแต่ถ้าบนไม่หยุดนะใครได้กําไรขาดทุนเนี่ยคนเขาหยุดได้ เ, ยเขยเอาแรงกา ไ, กไรเขาว่าจนปากแหกกระช่างนั้งปากเขาเนี่ยไม่ใช่ปากเราหูเขาอยู่ใกล้ปากเขายังไม่ลําคาญเเสือกไปลําคาญคําพูดเขาจะไม่นะ่ถ้าเราได้ปัญญานะ่ยอันนี้มันเกิดกับหลวงพอ่อหลวงพ่อนอนอยู่ในถ้าสุนัขมันเห่านะมันเห่าอยู่กลางนอก เรานั่งสมาธิก็ไม่ได้เนี่เห็นไหมเวลาขาดสติออกจากถ้ำมาเอาเหินป่าสุนักนป่าไปทำไมเราคิดคือแสดงเราขาดสติเราโง่นี่สุนักปากมันอยู่ใกล้กับหูมันยังไม่ลาขาดเราเสือกไปลาคาญมันทำไมนั่งอยู่ในถ้ำดีๆออกถ้ามาอันนี้อันนี้เรื่องเกิดจากหลวงพอ่อเรามันได้ข้อคิดออกไ็ได้ข้อคิดจากนั้นมามันจะอาสมบัติแขกกระชามันไปแล้ว ไม่สนใจมันทำไมถ้าสนใจเนี่ยเออกระทบแล้วก็แล้วไปกระทบแล้วก็แล้วไปกระทบแล้วก็แล้วไปเนียถ้ากระทบแล้วแล้วไปแสดงว่าตอนนั้นเรามีมัจมีสมาธิิถ้าเราไปยึดอย่างน้องพ่อบะออกเอกาหินป่ามาเนี่ตอนนั้นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ทางเดินของพุทธเจ้าเนี่ยทางเดินของมารเห็นไหม เนนมันเปิดวิทยุดังแต่ก่อนไม่มีใครอยู่กันลุงพ่อหรอกอยู่กันองค์สององค์เนนพระไทยใหญ่พระมาหลวงา่อเขาเห็นป่าแต่ตอนขาดสต็ปพอป่าบางเอิญมันไ ม, ม, นไม่ไม่ไปลงหากุติมันเอแหกไปชนกับกิ่งส้มผัสเข้านะ่ะหินมันย้อนกลับมาหาเชียดหัวเราไปโอ้ตายแล้วนี่นี่ได้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนนาะ เ่าไปยึดมันทําไมล่ะมันจะเปิดอย่างไงกับเรื่องของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเลยเราเสือขาเรื่องแขวงแถวหาเสื่องเนี่ยมันกลับมาสอนตัวเองเพราะฉะนั้นมาที่หลังนี่คุณยมจึงได้ข้อคิดว่าจิตของเราจะมันซึมซับกันในธรรมะลึกๆเลยยมจะเห็นความสุขเป็นโทษกว่าความทุกข์เห็นความทุกข์เป็นประโยชน์กว่านึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าของเรากัสรูมาพอเห็นความทุกข์มันจะเห็นความสุข ความสุขมันทำให้เราหลงตัวล่าเริงทำให้เราหลงตัวล่าเริงนะคุณโยมอย่าประมาทอย่างที่เราก็รู้ๆกันอยนนประมาทกันทแต่ทุกนเนี่ยเออมันสอนเราบางคนว่าทุกจะไปคิดถึงมันเช่มันผ่านไปแล้วเอามาคิดถึงมันเราจะไปแก้ไขมันได้ยังไงเราต้องคิดถึงว่าเออสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปคิดว่าเราจะไม่ทำมันอีกต่อไป ถ้ามันไม่ทุกเราจะเห็นทุกได้อย่างนันแล้วจะดับทุกได้อย่างถ้าเราไม่รู้ทุกแล้ว เ, เห็นทุกแต่เราไม่เอาทุกนี่นักปฏิบัติอันแท้จริงเห็นทุกเราไม่ยึดมันยึดมาทำไมเป็นพิษเป็นภัยต่อ ต, ตัวเองเนี่ยสิ่งใดเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองเอามันมาคิดมันทําไมทําไมไม่อดกันสับ้างมันอดไม่ได้หลวงพ่อก็อเพราะยังไม่ได้อดนไง เพราเราไม่เอาธรรมะพุทธามาเตือนใจแล้วเราไปตามใจตะเกียบโกดมันสิยอมเสียเปียกไปทําไมอนอ้ผัวนะ่ะไม่ใช่พ่อนะแหน่นไปลแล้วล่ะพราเรามีคนเดียวอ่ามันคิดไปทางตับทางไรกันแล้วทีนี้นี่คือการขาดสติแล้ ว, ว่าเออผนสั้นผนยาวบางทีเขาอาจจะไม่เขาอาจจะมีปัญหาทางใจเขาก็ได้ตอนนี้เขาใจรอนสิ่งเหล่านี้เราก็เคยพูดเคยคิดมาเหมือนกันเคยเป็นมาเหมือนกัน น่าคุณโยมนะรู้ใจกันเห็นใจกันเข้าใจกันแล้ก็อภัยให้กันรักกันได้นานถ้าไม่รู้ใจกันไม่เห็นใจกันไม่เข้าใจกันไม่อภัยให้กันรักกันไม่ได้นานก็นี่แนละที่มันขาดธรรมะเมื่อจะเอาเกียรติหาประทะกันมันจะอยู่กันได้ไหไฟกับไฟกับเผวกันอยู่อย่างนั้นคนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งเป็นน้อยางดี เห็นพวกเขาโกรธพระพุทธเจ้าเหมือนเอาไฟมาเนี่ยมาถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าน้าดับงดเนี่พระสำนักคนดมถ้าจะไม่พ้าพเจ้าไม่พอใจอะไรทั้งสิ้นเลยในโลกนี่ใช่แล้วเต็นทามเนี่ยหลวงยัง เ, เรียกเป็นทามมนะคือไปประชดพระพุทธเจ้าว่วาเพราะพระเจ้าเอาพระสารีบุตรมาบวชพระสารีบุตรเนี่ยไปลุงตัวเองไม่พอใจแต่ว่าในโลกนี่ข้าพเจ้าไม่ไม่พอใจลอลไรสักอย่างเลย พรพุเจ้าว่าใช่แล้วท่านาพาแม้แต่ท่านยังไม่พอใจตัวเองแล้วพอใจกับตัวเราเมื่อไหร่คุณโยมถ้าคนพอใจกับจิตจองตัวเองชีวิตตัวเองคนนั้นไม่ทุกข์หรอกไม่เบียดเบียนตัวเองแร้วอย่างความคิดมันทุกข์เนี่ยเขาไม่คิดทําไมเบียดเบียนตัวเองแล้วนี่เบียดเบียนตัวเองเขาหลับคนกอกกอกเรายังไม่หลับเลยนะอารมณ์มันค้างนะกับแค่ความคิดนะ่ะ เปิดประตูแล้วจะไม่ยอมวางประตูมันจะเข้าที่นอนได้หรอคนนะนะจิตมันค้างอยู่นะเพราะนั้นหยุดเถอะคนยมยู่จากสิ่งเหล่านี้ออาสติอปัญญามาเตือนเราบ่อยๆหัดนึกถึงความสงบบ่อยๆนะถ้ามันคิดไปหน่อยแล้วก็นึกถึงความสงบดูกายดูใจเราซะเพราะทุกสิ่งอย่างมาอยู่ที่จิตใจของเราอย่างเดียวไม่ใช่อยู่กับใครเลย โทษทุกอย่างคุณทุกอย่างอยู่ที่เราตัวเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยพระพุทธเจ้าอยากให้พวกเรารู้จนอุปมาว่าเหมือนมีคนหนึ่งอุ้มหมานอากมาเอามายื่นให้เราเนี่ยเราจะเอาไหมสิ่งไม่ดีไม่งามเขามาเอาให้เราเนี่ยเราจะเอาไหมล่ะโอ้ถ้าเป็นลูกน้องเทพธิดาเอามาเอามาเอามาเอามาเอามากระโต้จอกกันเท่า น, นั้นแหละที่นี่นะี่ะ พระพุทธเจ้าวา่าสิ่งไม่ดีเข้ามาส่งให้เรายึดในเราเราเอาทำไมเหมือนน้ําลายเขาถมทิ้งเราไปเรียกินน้ําลายก็ทําไมโน่นพระพุทธเจ้าอยากให้พวกเรารู้สอนวันนั้นนาย่ะไม่มีอะไรไม่สอนพระพุทธเจ้านี่คือความไม่ดีไม่งามเขามาให้เราเราไปรับทําไมล่ะรับมาก็เป็นพิรุณภัยตัวเราบ้านเราอยู่ดีๆเอาโจรเขามาบัาน่นไว้บั่นทำไมมันก็ป้นเราสิความซื่อสันต์อยู่ในหมู่โจรเสมอไง สักวันหนึ่งมันจะเอาแล้วแน่อย่างนางกุงทนทนเกศีเนี่ยไปเอาอโจรนี่ยประหารมาไว้นในบ้านตัวเองเอาไว้ไปเดียวแต่มาหลอกนางกุงทนเกศีไปฆ่าอยู่บนดอยเนี่ยมันเขาเนีย่ยเห็นไหมล่ะความสืสัตย์ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบห้หมดแล้วแม้แต่ร่างกายก็มอบไปแล้วของทุกสิ่งนในครฤหงหัดของเราก็ากทุนเป็นสมบัติ ข, ของเขาแล้วขเขาไม่ยอมว่ามันไม่สนุก มือนนกอยู่ในห้องในกรงทองเนี่ยเขาต้องออกหาป่บบนหาจีนี่จึงหลอกเมียขึ้นไปบนเขาอ่าเนี่ที่ฉันรอดประหารชีวิตมาได้ก็เพราะว่าฉันได้บนบันเทพเจ้าไว้ปฉันรอดผลมาเพราะเทพเจ้าในวันพรุ่งนี้เราจะไปบงวงสรวงภาษ า, าเราไปบงวงสรวงแต่ว่าให้เอาทราบไปหมดนะ่ะเธอต้องแตง่งทุกอย่างแล้ว เพ็รเนี่ยกินได้อยู่ในตัวคุณเหตุพิสุวร์ทุกคนต้องเอาไปหมดไปบวงสรวงฉันยึงจะอยู่ได้เมียเพราะความรักนะก็ต้องไปตอนนั้นปัญญาจะไม่เกิดไปบริบาลกับไปเยอะพอไปถึงชายเขาจ้นานคุณโยมนี่พี่อธิษฐานว่าเราสองคนนะบริบาลเราให้อยู่ชายเขาเนี่ยแล้วขึ้นไปบนเขาไปไปที่เหวหนา น, ะนะไปฏิเหวน่ะ พอไปถึงที่นอนก็บอกอันนี้นะวันนี้ฉันจะฆ่าเธอนะอา้าวฆ่าจะไม่ะพี่ฉันจะเอาสมบัติหมดเอ้าทําไมเอ า, เ อ, า, เ อ, าเอาไปเลยที่เป็นสมบัติของพี่แล้วพี่ไม่ต้องฆ่าหรอกไม่ถ้าฉันไม่ฆ่าเธอเธอคงจะไม่บอก ข, ขันราชการมาจับฉันอีกฉันต้องฆ่าขออย่างไงก็ไม่ได้ร้องอย่างไรไม่ขอร้องขอจะฆ่าอย่างเดียวเนีทั้งเขาอุปถัมภ์ขำชูขนาดนั้น ดังกุงทนเกษีก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกถ้าพี่จะฆ่าฉันนก็ยอมละแต่ว่าก่อนที่จะฆ่าฉันเนี่ยฉันก็เป็นนักลําเพราะตระกูลฉันให้ไปเรียน ล, าลํามาลัมทวาเทวดาทุกปีเมื่อฉันจะตายครั้งนี้ก็ขอให้ฉันได้ลําวงสวงเทวดาชั้นบ้างา่ายอมเลยยอมกับลัมสวยเนี่ยตัวเองไม่จะเพลินเพินไปเพอเพลเพีียวกุงทนเกษีกับผักลงเหวเลยเลยนะ เองเลยอ่ะพี่น้องางจะกลับมาบ้านไม่กลับเนี่ยไปไม่กลับลงหลังเขาไปทั้งนู้นเลยพอได้ยินขา่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วเดินไปหาพระพุทธเจ้าจงไปเจอพระพุทธเจ้าเดียจะไปบวชบวชเอาน้ําล้างเท้าสามครั้งในเป็นพระอรหันต์นางกรุงทนเกษรนี่แต่ละคุณโยกคนเราเห็นทุกเห็นไหมมันจึงเห็นธรรมะ เพราะฉะนั้นคุโยมให้ทําอะไรให้ม่นิสสัมมากรณ์สยโยไข้กรู้ว่าในดีนก่อนกันทํามันจึงไม่ผิดพลาดอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเราฆ่าตัวเองตายอายุเท่านี้ห้าร้อยปีถ้าเกิดมาห้าร้อยชาติเนี่ยถึงแค่นี้ก็ฆ่าถึงแค่นี้ก็ฆ่ามันชาตานานนือเกินเมื่อไรเราจะไปสู่คนความไม่เกิดไม่แกี่ยไม่เจ็บ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ตายลุงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษี ข, ขึ้นไว้ในเบื้องตน้น สติอธิปไต ย, ยะสะเปัมาทำทั้งหลายมีสติเป็นอธิปไตยมีสติเป็นใหญ่ในชีวิตของเราเหมือนเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็มีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายเป็นใหญ่สติโลกตสามิชังโลสติเป็นทาเครื่องตื่นอยู่ในโลกเมื่อใดจะตื่นจากอากวิชชาความไม่รู้จริงกลับมารู้ตัวเองซะอย่าไปรู้สิ่งนอกตัวเรามากเกินไป รู้ตัวเองบ่อยๆตอนนี้เราคิดอะไรตอนนี้เราทาอะไรให้รู้กับสิ่งที่เราเคิดนี้เขาเรียกสมาธิเคลื่อนที่สมาธิสากลทำได้ทุกชนชาติใช้กรมาสมาธิสากลเคลื่อนได้หคุณโยมฮะดีกว่านิ่งเฉยเฉยนิ่งเหมือนเรานอนหลับเราไม่ทำงานงานก็ไม่สำเร็จนี่แหละสมาธิเคลื่อนที่รู้ทุกอย่างคุณโยมแต่รู้แล้วไม่เอา ถ้าเอาเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเอาเป็นสมมติทิฏฐินี่เป็นเครื่องตัดสินใจตัวเองแล้วก็อย่าลืมเอาขอยย้ำยอดย้อนอีกให้มีอุดมการในใจของเราตื่นขึ้นมาว่าเราจะไม่ทําคนใกล้ชิดกับเราให้เขาทุกข์เพราะสิ่งแล้วทําไม่ทุกข์เพราะสิ่ง เ, งเพียงแล้วพูดแต่เราคอยขี้บ่นใช่ไหมใครอยากจะอยู่ใกล้คนตู้จี้ขี้บน่เนเงียบซะถ้ามันจะบน่นเะ บนนั้นท่านก็พูดกันแล้วแล้วก็ไม่พอใจเรื่องเนี้ถ้าเราพูดเขาคนพอใจเมื่อไหรนี่แล้วกดยั้งนะสตินันะ่ะเบรกใจยั้งใจอย่าไปเอายังอืน่นคนไม่มีสติเหมือนรถขาดเบรกเห็นมันชนดับ <c oughs> ไปเรื่อยแล้วต้องจำไว้ให้แม่นยำนะเราคิดเหมือนกันเราจะไม่ให้คิดในสิ่งที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจเขามองเขาได้แง่ดีไว้ไม่มีเสียถ้าบวก แล้วโยมจะมีแต่ความดีตลอดใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ข้อคิดสิ่งละอันพันละน้อยมากุโยมอยากให้เป็นประโยชน์เนาะเอาละมันตั้งแต่ต้นนะกุโยมตั้งแต่ฝึกจิตจนในถึงนิพพานอยากถึงนิพพานอย่ายึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นี่ก็่าถึงนิพพานแล้วให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์สมอย่างที่บอกมุขี้นี้จะไปไหนกูช่งไม่เทอะที้ มันก็ไปที่บริสุทธิ์นะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตา้อีกไปไม่กลับรับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี้ไม่พ้นที่เขาเขียนใบในตลัปัดนะเพราะฉะนั้นคุณโยมชาตินี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านตั้งจิตตั้งใ จ, งใจในะคุณโยมใช้สติใ ช, ช้ปัญญามากๆให้รู้จักทำวิมุตตคือให้หลุดพ้นออกล้วติดบ่วงอะไรทงวันทุกวันนี้มีอะไรผูกเราไว้ ศาสนาลักลูกมันเชื่อผูกคอศาสนาผัวเมียแล้ว ก, กันมันปลอยผูกสองตาสนาแล้วัตถูกเอาของมาเพมือนปลอกมามัดขาอย่าไปจริงใจกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนแล้วต้องจริงใจกับสิ่งที่แน่นอนไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความแก่เจ็บตายเนี่คุณโยมนี่อย่าไปจริงใจกับเขามากเพราะเป็นสิ่งมันแน่นอนะ แต่มักผลนิพพานจริงใจแน่ถ้าใครปฏิบัติถึงแน่ยมตั้งใจไปยมไม่ไปไหนละเมื่อเราเล็งชีวิตไว้ของเราไว้ตรงไหนแล้วก็ไปตรงนั้นชีวิตมันอยู่ที่ความคิดของเราเราคิดอยากไรได้ทำอะไรมีอะไรมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะ ความคิดของเราเป็นกำลังออความตั้งใจของเราเป็นจั ก, กรวาลพลังจั ก, กรวาลแต่ความคิดนี่บุปรามาเหมือนแม่เหล็กมันจะดูดสิ่งที่เราต้องกนนารนมาหาเราสักวันหนึ่งอันนี้เขาใช้กันได้ทั่วโลก ขอฝากไว้เป็นข้อคิดพิจารณากันอย่าลืมนะคุณโยมนะท้ายที่สุดนี้ความอนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แต่เสื่งศักดิ์สิทธิ์ต่งหลายทั้งปวงจงมาดุลมาดานประทานพระพรชัยให้ญาติโยมทุกๆท่านใครมีทุกข์มีผลทุกข์มีสศกมีผลโศกมีโรคคอมรกรโรคมีภัยขอพ้นภัยมีความสนิทสนิทต่างหลายทั้งปวงหมดไปสิ้นไปตั้งแต่ปัจนี้เป็นต้นไปท่านทั้งหลายพรพุทธธรรมปฏิบัติธรรมคอยได้ดวงใจยินธรรมในมรรคสีผลนิ วันพจะถึงในปัจจุบันด้วยกันทุกทุกท่านเธอ